ข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตต่อจากครั้งที่แล้วสัมมาทิฏฐิสูตรนเนี่ยสัมมาทิฏฐิสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึงความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ตรงโดยเฉพาะความรู้ความเห็นในอริยสัจความรู้ความเห็นที่ตรงและถูกต้องสูงสุดเป็นความรู้ความเห็นที่นําออกจากทุกได้จริงจะต้องแทงตลอดอริยสัจ ขันพระสาบุตรก็เลยกล่าวถึงอริยสัจโดยปริยายต่างๆเพราะพระสารบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากสามารถจำแนกอริยสัจโดยปริยายต่างๆปริยายนี้แปลว่าเหตุโดยเหตุต่างๆโดยวิธีการต่างๆหลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าสาบุตรแสดงอริยสัจประกาศอริยสัจนั้นประกาศทั้งโดยย่อและโดยพิสดารแต่ละอย่างจะประกาศเป็นคู่คู่ แสดงเป็นคู่คู่แม้กระทั่งว่าวาระที่หนึ่งเนี่ยนะกุศลรู้ชัดกุศลอกุศลกุศลมูลและอกุศลมูลถ้ารู้ชัดดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่มีศรัทธา ม, มั่นคงเลื่อมใสไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงในพระตตรไยนี้ได้แล้วก็โดยพิสดารก็คือ อากุศลคืออะไรอากุศลก็คืออากุศลกรรมบทสิบกุศลก็คือกุศลกรรมบทสิบแล้วก็รากเงาคือรากเงาของกุศลคืออโลพะอโทสะและอะโมหะรากเงาของอากุศลก็คือโลพะโทสะโมหะถ้ารู้ชัดโดยที่สามารถประมวลแทงตลอดอริยสัจก็สามารถละอนุสัยได้โดยประการทั้งปวงถ้าละอนุสัยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มั่นคงในพระาศาสนานี้ ตรัสรู้อริยสัจ ต, ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ได้อย่างที่สองก็อาหารวาระเนี่ยอาหารอาหารอาหารสมุ ท, ทยัยอาหารนิโรธอาหารนิโรธาคามินีปฏิปทาถ้ารู้ชัดโดยย่ออย่างนี้ก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้หรือโดยพิสดารก็คืออาหารมีสประการได้แก่กบพลิงกะราหารผัสสาหารมโนสันเจตนาหารและวิญญาณอาหาร อาหารเกิดเพราะตันหาเกิดถ้าตันหาดับอาหารก็ดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารและถ้าแทงตลอดอย่างนี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้อันนี้ภาษาเรีตรแสดงแบบพิสดารคืออาหารแสดงแบบย่อและแบบพิสดารต่อไปก็สัจจะอริยสัจนั้นก็แสดงแบบย่อและแบบพิสดาร สัจจะแบบย่อก็คือทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธาขามินีปฏิปทาแบบพิสดารก็คือทุกเป็นไฉถ้ามีคำว่าเป็นไฉขึ้นมาแล้วโดยมากเป็นแบบพิสดารนั่นแหละมันอริยศสตร์ก็แสดงแบบย่อและแบบพิสดารนะทุกทุกขสมุทัยทุกขนิโรธทุกขานิโรธขามินีปฏิปทา ต่อไปก็จะเป็นชรามรณะเนี่ยนะชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธาคามินีปฏิปทาการประมวลชรามรณะโดยอริยสัจนี่ก็เป็นการแสดงแบบย่อและแบบพิสดารเนี่ยนะแสดงเป็นคู่แล้วก็ชาติชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธค า, ามินีปฏิปทาเรียกว่าความเกิดเหตุให้มีความเกิด ความดับความเกิดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับความเกิดเนี่ยนะนีก็พบเนี่ยนะภาวะเหตุเกิดแห่งพบความดับพบข้อปฏิบัติให้ถึงความดับพบอุปาทานความยึดถือเนี่ยนะเหตุให้เกิดอุปาทานความดับอุปาทานข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็เป็นตันหาเหตุให้เกิดตันหาความดับตันหาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับตันหา เวทนาเหตุให้เกิดเวทนาความดับเวทนาข้อปฏิบัติให้ถ qui no. ึงความดับเวทนาทัะเหตุเก okay. ิดท네ัะความดับทัะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทัศสลายตนะเหตุเกิดแห่งสลายตนะความดับสลายตนะและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสลายตนะนามรูปเหตุเกิดนามรูปความดับนามรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับนามรูป วิญญาณเหตุเกิดแห่งวิญญาณความดับวิญญาณข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิญญาณสังขารเหตุเกิดแห่งสังขารความดับสังขารข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสังขารเท่ากับประกาศอริยสัจมาแล้ว14หัวข้อถ้าแสดงแบบย่อแบบพิสดารก็ประกาศอริยสัจมาแล้ว28ครั้งโอ้28ครั้งน่าจะได้ดีแล้วเนี่ยน่าจะนะ ก็แปลว่ามันยังไม่ใช่คือขออวิชาวาระนี้มาขึ้นในวาระนี้ถูกต้องไม่ผิดพลาดแน่พระพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อได้ฟังสัจจะโดยนยยต่างๆมาพระพิสูน์เหล่านั้นก็ได้พากันชื่นชมอนุมโมทนาภาสิตของท่านพระสารีบุตรวสาทุดีแล้วใต่เท้าเสร็จแล้วท่านก็กราบเลี่ยนถามปัญหากับท่านพระสารีบุตรให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกว่า ใต้เท้าครับยังมีเหตุยังมีปริยาอย่างอื่นอีกไหมที่จะให้พระอริยาสาวกมีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัตวธรรมนี้ภาษาริบุตรก็ตอบว่ายังมีอยู่คุณในหนา้า537ข้อ128 ภา า, ษ า, ษารียบ ต, ตอบว่ายังมีอยู่คุณแล้วก็ต่าว่าอาวุโสหรือคุณเนี่ยนะด้วยเหตุที่อริยาสาวกรู้ชัดรู้ชัดปัญญ า, าติคือมีปัญญาเนี่ยนะปัญญาระดับอริยมรรคปัญญาเนี่ยรู้ชัดอวิชชาเหตุเกิดแห่งอวิชชาความดับอวิชชาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาเพียงเท่านี้แลคุณเพียงเท่านี้ไม่ใช่ธรรมดานะอรหัตตมรรคนั่นแหละเพียงเท่านี้ระดับอรหัตตมรรคนี่แหละคุณ อริยสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้นี่เป็นการแสดงอริยสัจในอวิชชาโดยย่อโดยพิสดารถามว่าอวิชชาคืออะไรคุณเหตุให้เกิดอวิชชาคืออะไรความดับอวิชชาคืออะไรข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาคืออะไรตอบว่า อวิชาก็คือความไม่รู้ในทุกไอความไม่รู้ที่กล่าวมาแล้วทั้ง28วาระนั่นแหละที่พูดไปแล้วเนี่ยไอความไม่รู้ดังกล่าวนั่นแหละเรียกว่าอวิชาความไม่รู้เหตุเกิดแห่งทุกความไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่แหละคุณเรียกว่าอวิชาสรุปว่าอาหารเหตุเกิดความดับข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาหารก็ไม่รู้ สัจจะทุกสมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจทุกเหตุเกิดแห่งทุกความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้นนะไม่รู้ไม่ว่าไม่อยากรู้ด้วยสิจริงนะอริยสัจไม่ใช่เป็นเป็นถ้าคนไม่สั่งสมบูรณมาเนะี่ยอยากคิดนะว่าอยากจะรู้อริยสัจสมมุติได้อย่างที่ว่าถ้าเขามาทักว่าโอ้โหนี่ชราแล้วนะเนี่ยใกล้ไปสู่มรณะแล้วเดี๋ยวก็เกิดทบใหม่ไม่ค่อยชอบนะ แต่ถ้าเข้ามาหลอกๆอเนี่ยโอ้ยเชื่อมากดูผิดกวัยสักกี่ปีดีะถ้าอายุ60สิบเขาก็ดูโอ๊ยนี่สัก45มั้งอย่างงี้ยนะโอ้ยยิ้มแป้ไม่จริงก็ยิ้มก่อนละนะแปลกนะชอบฟังงเง้ยเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้เกิดอวิชาขึ้ น, นอวิชามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงไรแล้วใครอยากจะรู้ความจริงอะไรทักเท่าไหร่เนี่ยถ้าเขาบอกไม่พูดความจริงเนี่ยโอ้สนใจติดตามเรื่องดี อวิชานั้นคือความไม่รู้ชรามรณะเหตุเกิดชรามรณะความดับชรามรณะข้อปฏิบัติให้ถึงความดับชรามรณะคืออริยสัจจะแสดงนิยะใดแง่มุมใดแบบใดอวิชาไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบทั้งนั้นแหละแล้วก็อวิชานี่นะไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ธรรมดานะมันเป็นศัตรูต่อความรู้ด้วยไม่ต้องการรู้ทุกอวิชานั้นถ้าจะพูดให้ตรงจริงๆนะ ความไม่ต้องการที่จะรู้สมุทัยความไม่ต้องการจะรู้นิโรธไม่ต้องการรู้ทุกขานิโรธทัามิหนีปฏิปทาขณะวิชาเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่สนใจมันไม่ต้องการอยากจะรู้อริยสัจทั้งนั้นแหละนะไม่สนใจไม่ต้องการแทงไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการทราบปิดปัญญาจักษุให้ให้สนิทเลยนะนั่นแหละลักษณะของอวิชชา เอาถามว่าเอาแล้วที่ฝ่ายรู้ทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่เห็นอริยสัจก็ใยรู้ไอ้ที่มาฝ่ายรู้เนี่ยไม่ใช่อนุภาพของอวิชชาแต่อนุภาพของบุญของกุศลของคุณงามความดีของอัตตะสัมมาปณิทิของสติของปัญญาเป็นต้นนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝักใยที่จะปรารถนาจะรู้ไม่ใช่อวิชชาพาอยากรู้ไม่ใช่อวิชชาต้องการพาปกปิดอวิชชาพาทำอะไรพาง่วงเป็นต้น น, นะนั่นแหละสนัตตาถ้าอวิชชามันจะพาทำนะพาง่วงพา คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคิดเรื่องที่มันไม่ให้เห็นอริยสัจนั่นแหละอวิชชาจะพาคิดแบบนั้นแหละนี้อวิชชาเกิดเพราะอะไรเกิดท่านบอกว่าเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดเพราะอาสวะดับอวิชชาจึงดับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะความดําริที่ถูกต้องสัมมาวาจาการพูดวาจาที่ถูกต้อง สัมมากรรมันตะการกระทำที่ถูกต้องสัมมาอาชีพอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ประกอบด้วยทุจริตสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องสัมมาสติความระลึกความตั้งมั่นชอบที่ถูกต้องสัมมาสมาธิความตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านที่ถูกต้องอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้แลที่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชา อวุโสเมื่อใดแลอริยสาวกรู้ชัดอย่างนี้คือรู้ชัดอวิชชาความไม่รู้อริยสัจอย่างนี้รู้ชัดเหตุให้เกิดอวิชชาคือเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดอย่างนี้รู้ชัดความดับว่าถ้าอาสวะดับอวิชชาก็ดับอย่างนี้รู้ชัดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอวิชชาอย่างนี้เมื่อนั้นเธอจะละราคะนุสัย บรรเทาปฏิคานุสถอนทิฏฐิถอนมานะว่าเรามีและอวิชาได้โดยประการทั้งปวงอย่างวิชาคืออรหัตตมรคให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกได้ในปัจจุบันทีเดียวด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลอวุโสพระอริยาสาวกชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็น ถูกต้องมีความเห็นตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสในธรรมะไม่คลอนแคลนมาสู่พระสัจธรรมนี้นะผู้ที่จะมั่นคงในพระศาสนานี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้เห็นรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละคือเมื่อใดที่ฟังธรรมจักกับปวัตนะสูตรแล้วบรรลุเท่าพระัญญาโกณทัญญะนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้มั่นคงจริงแต่ถ้ายังไม่เห็นไม่รู้ไม่บรรลุไม่แทงตลอด ก็ยังอ่ะนะก็ยังในหน้าห0รอนึ่งอธิบายอาวิชชาวาระวาระว่าด้วยอวิชชาเนี่ยนะอวิชชาคืออะไรก็ ค, คือความไม่รู้ในทุกชื่อว่าทุกเขอัญญานังอ่านังหรืออัญญานังอันเดียวกันอะตัวนั้นเนี่ยปฏิเสธปฏิเสธด้วยเป็นปฏิปักษ์ด้วย อัญญานะหรืออญญาญนะแปลว่าค่าศึกศัตรูของปัญญาปฏิปักษต่อปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าอญญานะอญะญอาญะเป็นชื่อของโมหะโมหะแปลว่าความหลงคือโมหะนี่มันลักษณะแบบถูกครอบเลยอะถูกครอบแล้วก็แบบถูกเราถูกครอบอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ปั่นให้มันมุนหัวติ้วแล้วก็ครอบเอาไว้อย่างเงี้ยนั่นแหละโมหะมันเป็นลักษณะนั้น ถูกครอบแล้วก็ปัน่นเสหัวหมุนหมดเลยอะ่ะมันก็ว่าปิดตาแล้วก็จับให้หมุนแล้วก็ปล่อยให้เวให้ไปแต่ไหนก็ได้ ล, ลักษณะนั่นแหละคือลักษณะของอวิชชาทันไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทัยมันปกปิดไม่ให้รู้ทุกขาริยสัตว์ปกปิดไม่ให้รู้ทุกขสมุทัยอริยสัตว์ปกปิดไม่ให้รู้ทุกขานิโรธอริยสัตว์ปกปิดไม่ให้รู้ทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตว์นั้น อธิบายโดยละเอียดและกว้างขวางแต่ว่าใช้ศั์ไม่กี่คำนนะว่าการไม่รู้ในทุกเนี่ยนะไม่รู้โดยเหตุ4ประการไม่รู้4ี่ประการอะไรบ้างคือไม่รู้โดยการอย่างลงภายในนี่อย่างที่1 2สองโดยฐานะคือที่ตั้ง3โดยอารมณ์4โดยอาการที่ปกปิดเอาไว้ไอ้คำว่าไม่รู้ในอริยสัจ ในไม่รู้ในอริยสัจข้อที่หนึ่งเนี่ยไม่รู้ในทุกขาริยสัจถ้าอย่างที่เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยทุกขาริยสัจคืออะไรบ้างที่ผ่านมานี่มีอะไรบ้างอาหารทุกข์สัจชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขาร ตลอดจนถึงอวิชชาเนี่ยนะมันปกปิดเนี่ยปกปิดอย่างไร